วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบสองธันวาคมพุทธศักราชสอง6ันห้าอหสิหกเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมและปฏิบัติธรรม เปนวันที่พระพุทธเจ้าต้องการให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมให้หยุดการทํางานเลี้ยงดูร่างกายหนึ่งวันเพื่อหยุดการทํามาหากินหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงร่างกายแล้วให้เอาเวลามา ดูแลจิตใจเพราะจิตใจเป็นของที่สำคัญยิ่งกว่าร่างกายร่างกายต้องการความดูแลฉันใดจิตใจก็ต้องการการดูแลฉันนั้นเพราะถ้าไม่ได้ดูแลก็จะเดือดร้อนจะทุกข์เดือดร้อนกัน ถ้าร่างกายไม่ได้ละปัจจัยสี่ร่างกายก็จะทุกข์จะเดือดร้อนจิตใจถ้าไม่ได้ธรรมะจิตใจก็จะเดือดร้อน mm hmm. เวลาที่เราให้กับการเลี้ยงดูร่างกายนี้ความจริงเราให้มันมากเกินความจำเป็นเพราะถ้าเราคำนึงถึงประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากร่างกายนั้นมันเป็นประโยชน์แบบชั่วคราวร่างกายอยู่ไม่เกินร้อยปีประโยชน์ที่เราจะได้จากร่างกายก็ได้เพียงแค่นั้นหลังจากที่ร่างกายตายไปเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายหาประโยชน์มาให้กับเราอีกต่อไปแต่ ใจนี้เป็นของไม่ตายเป็นของที่อยู่ไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วและประโยชน์ที่เราทำให้กับใจนี้เป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนที่ถาวรแต่เรากลับให้เวลากันน้อยมากพระพุทธเจ้าจึงต้องอย่างน้อยบังคับหรือเชื่อเชิญ ให้สาธุชนพุทธบริษัทในพักหยุดพักการทำงานสักหนึ่งวันต่ออาทิตย์แล้วเอาเวลาที่หยุดทำงานนี้มาดูแลร่างกายมาดูแลจิตใจด้วยการฟังเทศฟังธรรมศึกษาปฏิบัติธรรมใจก็จะได้เริ่มมีการดูแลรักษาแบบจริงจัง พวกเราปัญหาของพวกเราก็คือเรายังไม่เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการดูแลจิตใจของพวกเราและไม่เห็นโทษของการที่เราไม่ได้ดูแลจิตใจของพวกเราว่ามันถ้าเราดูแลเราก็จะสร้างความสุขให้กับใจ ถ้าเราไม่ได้ดูแลปล่อยปละละเลยเราก็สร้างความทุกข์ให้กับใจความทุกข์ความสุขของใจนี่มันยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ความสุขของร่างกายและยั่งยืนกว่าใจนี้ไม่มีวันตายใจจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ แล้วจะอยู่แบบสุขหรทุกข์ก็อยู่ที่ว่ามีธรรมะมีการหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้ามีการสะสมธรรมะให้กับจิตใจยอยู่เรื่อยๆจิตใจก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่สะสมธรรมะสะสมอธรรม ใจก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอธรรมก็คืออกุศลทั้งหลายบาปอากุศลทั้งหลายเรียกว่าอธรรมส่วนธรรมก็คือบุญทั้งหลายบุญที่จะสร้างความสุขให้กับใจ น, นี่คือสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นกันเพราะเราอาจจะคิดว่าเรากับใจกับร่างกายนี้เป็นของอันเดียวกัน เราจะคิดว่าพอร่างกายตายไปแล้วเราก็ตายไปกับร่างกายด้วยใจก็ตายไปกับร่างกายด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมาดูแลใจให้เสียเวลาเปล่าดูแลแต่ร่างกายหาความสุขทางร่างกายไปก็พอแล้วแต่มันก็จะเป็นของชั่วคราวเราตายแล้ว เราก็อาจจะคิดว่าเราสูญสิ้นไปแล้วตายแล้วสูญเพราะถ้าเราคิดว่าเรากับร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อร่างกายตายไปแล้วใจก็ต้องตายไปกับร่างกายเมื่อเมื่อร่างกายตายแล้วใครจะไปรับประโยชน์จากการทำบุญหรือใครจะไปรับโทษจากการทำบาป ก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างมันก็สิ้นสุดลงที่ความตายวิบากกรรมทั้งหลายก็ไม่มีตามมาเพราะใครจะไปผู้มารับวิบากกรรมต่างๆทั้งสุขและทุกข์อันนี้เป็นความเห็นที่ผิดความเห็นที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ยินได้ฟัง คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้า ไ, ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนสามีภรรยามาร่วมอยู่ร่วมกันเพื่อมาแสวงหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ แต่เป็นการหาความสุขแบบชั่วคราวเป็นการแต่งงานแบบชั่วคราวเพราะเมื่อนั่งกายตายไป<ม>การแต่งงานก็ต้องสิ้นสุดลง<ม>แต่ผู้ที่ไม่ได้ตายนี้ยังอยู่ต่อไปอันนี้เราไม่รู้กันเราคิดว่าเมื่อนั่งกายตายไปใจก็ตายไปด้วย เมื่อร่างกายกับาจตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะตามมาต่อไปที่เรียกว่าตายแล้วสูญแต่ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านทรงสอนว่าตายแต่ร่างกายใจไม่ตายและสิ่งจะมีสิ่งที่ตามมากับใจก็คือนรกหรือสวรรค์หรืออบายอันนี้ เป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราจะไม่สามารถรู้ความจริงอันนี้ได้เลยมันก็เลยทำให้เราลังเลสงสัยได้ว่าทำบุญไปแล้วจะได้อะไรหลังจากที่เราตายไปแล้วทำบาปแล้วจะได้อะไรใครจะไปได้ไม่มีใครรู้ก็อาจจะทำให้ไม่อยากจะทำบุญ ชอบทำบาปดีกว่าเพราะทำบุญแล้วขาดทุนต้องเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียเวลาอะไรต่างๆไปแต่ทำบาปแล้วนี่ได้กำไรคนทำชั่วนี่รวยเร็วกว่าคนทำความดีคนคนชั่วนี่มักจะรวยรวยเพราะโกงรวยเพราะชอบโกงรวยเพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ใช้พลังใช้กำลังคนจึงไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมคิดว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง<ม>บางคนก็พูดทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถมไปเ<ม><ม>อาไปเห็นคนที่ทำชั่วกลับได้ดิบได้ดีในทางโลกกระท<ม>ได้ลาบยศสรรเสริญ ได้ความสุขจากรูปเสียงกิริลดโปรตพระก็เลยยิ่งทําให้เขาไม่เชื่อเรื่องการทําบุญไม่เชื่อเรื่องของการละการกระทําบาปเพราะทําบาปนี่เช่นเป็นคอรับชั่นขอให้เซ็นชื่อแล้วก็เอาหูไปนาเอาตาไปได้ก็ได้เงินมากกว่าเงินเดือนเป็นเป็นสิบสิบปีก็มีแล้วใครจะทนไหว กับการที่มีของล่อใจแบบนี้ <Yeah. S 1> ถ้าไม่ทำไม่เซ็นชื่อเพราะผิดระเบียบผิดกฎหรือผิดอะไรก็ตาม <Yeah. S 1> ก็จะไม่ได้เงินก้อนนี้ <Yeah. S 1> แล้วถ้าอยากจะได้บุญก็ต้องเสียเงินเงินที่เสหาแสนจะยากจากเงินเดือนไม่กี่ตัง ก็จะไม่อยากจะทำบุญเหมือนกันอันนี้คือเรื่องของคนที่ไม่ได้เข้ามาศึกษาไม่ได้เรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงทำดีได้ดีทำเชื่อได้เชื่อแต่คำว่าดีและชั่วนี้มันไม่ได้อยู่ที่การเจริญ เรื่อการเสื่อมในโล ก, กธรรมคือาลาภยศสารเสริญสุขแต่มันเป็นการเจริญหรือเสื่อมทางด้านจิตใจและเป็นการเจริญเรื่องเสื่อมของความสุขของจิตใจเพราะจิตใจนี้ยังอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดังนั้น พระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้ชาวพุทธเรามันเข้าวัดอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งครั้งสมัยก่อนการฟังธรรมมันยากเพราะไ ม, ไม่ไม่มีสื่อเหมือนสมัยนี้สมัยนี้เรามีหนังสือมีสื่อทางทางภาพทางเสียงให้เราสามารถได้ศึกษาพระธรรมฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลาที่เราต้องการ แต่สมัยก่อนนี้ไม่มีสื่อต่างๆการจะฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาธรรมก็ต้องมีเวลาหยุดการทำงานเพื่อจะได้เดินทางไปที่วัดเพราะที่วัดมีที่เป็นที่เดียวที่มีการแสดงธรรมก็ต้องลางงานหรือหยุดงานสมัยก่อนเมืองไทยเหล่านี้ก็ มีความศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยกำหนดวันหยุดทำงานให้เป็นท่ายตรงกับวันพระวันพระวันโกย <Yeah. S 1> เพื่อที่สาธุชนจะได้มีเวลาไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมไปทำบุญทำทานไปรักษาศีล mm. ไปภาวนาอันนี้ สมัยก่อนเป็นอย่างนี้สมัยที่ประเทศไทยเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับโลกต่างชาติแต่ระยะหลังเมื่อความเจริญของวัตถุมีมากขึ้นความจําเป็นที่จะต้องมีการติดต่อทำมาค้าขายกับต่างชาติก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วต่างชาตินี้เขาก็นิยมหยุดทํางานในวันเสาร์วันอาทิตย์ S <S ถ้าเราไม่หยุดตามเขาเราก็จะไม่สามารถติดต่อกับเขาได้วันที่เขาหยุดเราไม่หยุดเนี่ยเราก็ติดต่อทำมาค้าขายกันไม่ได้ <S 2> <S 2> เราจึงต้องมาปรับวันหยุดทำงานให้ตรงกับสากลหรือของนานาชาติ <S 2> <S 2> <S 2> ที่นิยมหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กันแต่ทางปฏิทิน ของชาวพุทธเราก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะวันพระนี้กําหนดตามวันขึ้นแรมตามการโคโจรของพระจันทร์ดวงจันทร์สมัยสมัยโบราณนี้เขาจะใช้การนับวันของพระจันทร์ว่าพระจันทร์พอพอมืดแล้วพอดับแล้วหลังจากนั้นอีกแปดวันก็ขึ้นมาครึ่งหนึ่ง ขึ้นขึ้นมาเซี่ยวนึงไม่ใช่ครึ่งหนึ่งในสี่แล้วหลังจากนั้นเด็กสิบห้าวันก็ขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็เลยกำหนดวันเหล่านี้ให้เป็นวันพระขึ้นมาวันขึ้นเจ็ดข้าบ้างแปดข้าวันขึ้นเจ็ดขาบ้างแปดข้าบ้างวันแรมเจ็ดข้ามแปดขามสิบห้าข้าสิบสี่ข้ามอันนี้เป็นการกำหนดวันพระ ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่มีใครกล้าไปเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์มันก็เลยทำให้ชาวพุทธเราไม่สามารถที่จะมาทำหน้าที่ของชาวพุทธในวันพระได้เพราะบางช่วงวันพระไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ตรงกับวันหยุดเช่นวันนี้ก็เป็นวันอังคาร ก็ต้องไปทำงานกันสำหรับผู้ที่มีงานต้องทำ mm hmm. จะหยุดก็ไม่ได้หยุดเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถูกตัดเงินเดือนหรือถ mm ้า hmm. หยุดมากก็อาจจะถูกไล่ออกจากงานก็ได้ mm hmm. มันก็เลยทำให้ชาวพุทธเหล่านี้ห่างไกลจากวัดไม่สามารถเข้าวัดได้ตามที่พระเจ้าต้องการให้เข้าให้มาศึกษาให้มาปฏิบัติธรรมกันเพราะ วันพระกับวันหยุดไม่ตรงกันดังนั้นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องทำก็คือปรับตัวเราเองปรับวันพระของเราใหม่ไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาบอกวันพระเพราะความหมายของวันพระก็คือให้เราหยุดทำงานเพื่อเราจะได้ไปวัดหรืออยู่บ้านก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ให้เราได้ฟังเทศฟังธรรมได้ศึกษา ปฏิบัติทาได้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่เราจะได้ดูแลจิตใจของเราสร้างความสุขให้กับจิตใจของเราบ้างไม่ใช่ปล่อยแต่ให้จิตใจนี้สร้างแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราชาวพุทธเราต้องรู้จักวิธีดัดแปลง เมื่อโลกเปลี่ยนไปเหตุการณ์เปลี่ยนไปแต่เรารู้ความหมายของวันพระว่าความหมายของวันพระแท้จริงนี้ไม่ได้อยู่ที่วันขึ้นแรงอยู่ที่ว่าเป็นวันหยุดทำงานดังนั้นตอนนี้เราหยุดทำงานเสาร์อาทิตย์กันเราก็เปลี่ยนวันพระไปเป็นเสาร์อาทิตย์แทนพอถึงวันหยุดเราก็เลือกวันใดวันหนึ่งวันเสาร์เลือกวันอาทิตย์ จะไปวัดก็ได้ถ้าเรามีวัดที่เราศรัท ธ, ธาไปแล้วก็ถ้าอยู่ได้ก็อยู่ครั้งคืนสักคืนหนึ่งหนึ่งวันกับหนึ่งคืน mm. เพื่อที่จะได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบเต็มที่ mm. ตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงเช้าวันลุงขึ้นที่ท่านเรียกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเราก็จะได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรม ได้ถือศีลได้ละการกระทาบาปได้ทำบุญทำทานแล้วก็ได้ฝึกจิตตภาวนาฝึกจิตฝสติฝึกสมาธิได้ปัญญาจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการให้เชื้อความรู้ปัญญาที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนเชื้อของความรู้ ที่เรารับมาจากพระพุทธเจ้าเมื่อเรารับมาแล้วเราก็เอาม า, าสร้างให้มันอยู่มากยิ่งขึ้นเหมือนกับไปรับมเมล็ดมเมล็ดพืชเพื่อเอามาปลูกไว้ในใจของเราเราไม่มีมเมล็ดพืชคือปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเราต้องไปรับจากผู้ที่มีมเมล็ดพืชของสัมมาทิฏฐิ ก็คือเราต้องไปรับจากพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพร ะ, ะอริยสงสาวกด้วยการฟังเทศฟังธรรมเมื่อเราได้ปัญญาจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็นำเอาไปปลูกในใจเราเพื่อให้มันอยู่ในใจเราไม่ให้มันหลงหมันลืมด้วยการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆเช่นพระพุทธเจ้าสอนว่าชาวพุทธเราควรจะ รู้ความจริงอันนี้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากกานเกิดแก่เจ็บตายจากการพัดพากจากกันไปไม่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนเราทํากรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องรับผลของบุญหรือบาปนั้น อันนี้เป็นเป็นการรับเมล็ดพืชแห่งปัญญาหรือสมาทิฏฐิให้เอามาปลูกไว้ในใจของเราวิธีปลูกสมาทิฏฐิในใจของเราก็ให้เราหมันระกลึกถึงอยู่เรื่อยๆอว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพาคจากกาันล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันไปไม่ได้ เรามีกรรมของเป็นของของเราคือไม่ว่าเราจะทําบุญหรือทํำบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญของบาปนั้นอันนี้ให้เอามาคิดอยู่เรื่อยๆคิดบ่อยๆเมื่อเราคิดแล้วมันก็จะฝังอยู่ในใจเราคือไม่ให้มันลืมนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปเรียนหนังสือ เ, เราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครูอาจารย์ก็สอนวิชาต่างๆ เส แ, แล้วเราก็ต้องกลับมาดูหนังสือหรือเอาความรู้ที่เราได้ได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์มาทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพื่อจะได้จดจำได้ mm hmm. เป็นการมากลับเป็นการทาการบ้าน mm hmm. ปัญญาระดับที่สองที่เราเอามาปลูกฝังในใจเรานี่เป็นเหมือนกับเป็นการทาการบ้านเ mm hmm. มื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้พวกเร า, เามีความ <c oughs> รู้เกี่ยวกับการเกิดแกเจ็บตายรู้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรมแล้วเราก็ต้องเอามาสอนใจอยู่เรื่อย เ, อยเพื่อให้มันฝังอยู่ในใจเรา mm. แล้วเมื่อมันฝังอยู่ในใจแล้วเราก็ต้องไปทําให้มันเจริญตบโตขึ้นมาให้เป็นต้นเพื่อออกดอกออกผลวิธ mm. ีที่จะทําให้ปัญญาที่เราได้มาจากการจากการศึกษา จากการนามาปลูกฝังในจิตใจเราก็คือเราต้องทำจิตใจของเราให้สงบจิตใจของเราถ้าไม่มีความสงบเหมือนกับดินที่ไม่มีปุ๋ยไม่มีน้าถึงแม้เอาต้นต้นไม้มเมล็ดลงไปลงไปในดินแล้วแต่ถ้าไม่มีน้ำไม่มีปุ๋ยไม่มีอาหารมเมล็ดพืชมันก็จเจริญเติบโตขึ้นมาไม่ได้ อันนี้ก็เหมือนกันพอเราได้เรียนรู้แล้วเราเอามาคิดบ่อยๆเพื่อให้มันไม่หลงลืมให้อยู่ในใจของเราแล้วแต่มันยังไม่เป็นต้นไม้ยังไม่ได้ออกดอกออกผลยังทำยังทำประโยชน์ไม่ได้คือเอาไปดับความทุกข์ไม่ได้ปัญญาคําสธรมาทิฏฐิของพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจนั่นดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย ไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายจึงต้องทุกข์กันเวลาเวลาเพียงแต่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บหรืเห็นคนตายนี่เราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วเราต้องการที่จะมากำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้แล้วจะเกิดได้ก็ต้องเป็นต้องเอาต้องเอาปัญญานี่มา ฝังในใจแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำในดินใส่ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใน ใ, นใจเราน้าและปุ๋ยใ น, ในใจเราก็คือสมาธิคือความสงบของใจตอนนี้ใจเรายังไม่สงบไม่นิ่งไม่มีอุเบกขาอุเบกขานี่แหละคือปุ๋ยของใจของดินในใจเราของใจที่เป็นเหมือนดินเป็นปุ๋ยเป็นน้ำ ที่จะหล่อเลี้ยงปัญญาที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้มันพิจารณานี้ให้มีให้เจริญเติบโ ต, ตจนออกออกดอกออกผลขึ้นมาอันนี้ปัญญาถึงมีสามระดับด้วยกันระดับแรกเราเรียกว่าสุตตะมยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อเราได้ปัญญาขั้นที่หนึ่งแล้วเราก็เอามาทำให้เป็นปัญญาขั้นที่สองคือจินตามยภปัญญาจินตามยภปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องพัดพากจากกาันไม่ให้ลืมว่าเรามีกฎแห่งกรรมที่คอยควบคุมใจของเรา ถ้าใจเราทำบุญใจของเราก็จะมีความสุขถ้าใจของเราทำบาปใจของเราก็จะมีความทุกข์อันนี้ไม่เรียกว่าสุตมะยะปัญญา ถ, ถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้บางคนก็คิดว่าตัวเองเยจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะอยู่ไปตลอดไม่เคยคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเลย แต่วันใดวันหนึ่งเกิดไปเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดไปเจอกับความตายใกล้จะตายตอนนั้นน่ะถึงจะเห็นความจริงว่าโอ้ยชีวิตนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแตอนนั้นจิตใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาเป็นอย่างมากเลยเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์นนั้นเ่งแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกัน แล้วคอยสอนอยู่เรื่อยๆไม่ให้หลงไม่ให้เลยเราก็จะพยายามทำใจกันเพราะราไม่มีทางเลือกเราห้ามมันไม่ได้ห้าความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำใจไม่ให้ทุกข์วิธีที่จะทำใจไม่ให้ทุกข์ก็คือต้องไปนั่งสมาธิกันไปทำใจให้สงบให้มีอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานี่คือการวางเฉย ตอนที่มีอุเบกขาใจจะเฉยไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่ลักอะไรไม่ชังอะไรไม่กลัวอะไรไม่หลงกับอะไรใจจะเฉยนิ่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจเฉยได้อันนี้ก็คือปัญญาขั้นที่สามหลังจากที่เราเอามาพิจารณาอยู่ในเมืองแล้วเราก็ต้องมาทําสมาธิสลับกัน มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบ <c oughs> ทำใจให้สงบแล้วใจมีอวเบืขาแล้วพเรามาคิดถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพัดท่กกากัน <c oughs> เราจะไม่รู้สึกอะไรเลยเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่กลัวไม่หวัดไว <c oughs> เพราะว่าเราสามารถทำใจของเราให้เฉยได้ท่านั้นเอง ความจริงก็ต้องเป็นความจริงเราเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็ต้องไม่มาเกิดทท้งนั้นถึงจะทำให้ไม่ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายและการที่จะไม่มาเกิดก็ต้องมาหยุดต้นเหตุของการเกิดตัวที่พาให้ใจมาเกิดก็คือตัณหาความอยาก ความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดตะเภาคือกามตัณหาการกาม้กามก็คือกามคุณหา้ากามคุณห้าก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดตะเภานี่ใจของพวกเราทุกคนนี้มีความอยากอันนี้ถึงมาเกิดกันไม่มีใครปฏิเสธว่าไมา่ไม่อยากดูไม่อยากฟังอะไรไม่อยากกินไม่อยากดื่มอะไรไม่อยากลิ้มรสสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆ เพราะเวลาที่ไม่ได้สัมผัสนั่นแหละเ<ด>วลาที่ไม่ได้เสพมันรู้สึกทุกข์ทรมานใจเวลาที่เราไม่สามารถไปทำอะไรได้เช่นช่วงที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย<ด>จะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้จะไปงานงานลง้งงานเลี้ยงอะไรต่างๆก็ไปไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ไปไม่ได้เห็ไนไะหใจเราจะรู้สึกหงุดหียดใช่ทุกข์ขึ้นมา น, นี่คือตัวสาเหตุที่พาให้ใจเราทุกข์กันแล้วพาให้เราต้องมาเกิดเพื่อจะได้บรรเทาความทุกข์เพราะเวลาเกิดเราก็จะได้ร่างกายเมื่อเราได้ร่างกายแล้วเราก็จะสามารถใช้ตาหูจมูกเนื้องายของร่างกายพาเราไปหารูปเสียงกลิก่นรสปฐพิภัณฑ์ชนิดต่างๆมาเสกได้อันนี้แหละเป็นตัวที่พาพวกเรามาเกิดตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็ความอยากมีอยากเป็น ด้วยความอยากได้ลูกประชาญอยากเสพลูกประชานมันก็จะทำให้เราต้องมาเกิดกันด้วยความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เหมือนกันความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากได้อารูปประชานมันก็จะพาให้เราต้องมาเกิดกันทั้งสามนี้เป็นตัวที่เราต้องมาหยุดกำจัดมันให้ได้และการจะหยุดการกำจัดมันได้ก็ต้องใช้ปัญญาที่เราศึกษาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้ ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราสามารถเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ความอยากเหล่านี้พระสร้างความทุกข์ให้กับใจเราอยากรูปเสียงกลิ่นรสก็ทุกข์เวลาไม่ได้เสพก็ทุกข์อยากมีอยากเป็นพอไม่ได้มีไม่ได้เป็นก็ทุกข์อยากเข้าฌานเข้าฌานไม่ได้ก็ทุกข์อยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ยากจนพอทำไม่ได้ก็ทุกข์อยากจะเข้าอารูปฌานถ้าเข้าไม่ได้ก็ทุกข์ไอ้ตัวนีนะ้สามตัวที่เป็นตัวเหตุที่ทำให้ใจทุกข์แล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้ใจต้องกลับมาเกิดเรามีร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นว่าความอยากนี้นาไปสู่ความทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องหยุดมัน การที่เราจะหยุดมันได้เราก็ต้องมีอุเบกขาเนี่ยมีสมาธิอันนี้แหละถึงจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่มาเกิดแล้วท่านหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วด้วยปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เองทรงค้นพบว่าทุกข ใจนี่เกิดจากความอยากแ้ะจะหยุดความทุกข์ใจนี้ได้ต้องหยุดความอยากและสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสมาธิและปัญญานี่อันนี้แนะ่ะคือเรื่องเรื่องของการมาวัดเป้าหมายของเราก็เพื่อที่มาหยุดหยุดความทุกข์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและทุกข์ที่จะตามมาต่อไปในอนาคต เพราะถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ความอยากมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเรื่อยๆแล้วต่อให้เราทําตามความอยากกี่ครั้งก็ตามความอยากมันก็จะไม่หมดไปมันไม่หายไปยิ่งทําตามความอยากความอยากยังยิ่งมีมากยิ่งขึ้นไปใหญ่เช่นอยากได้ร้อยอยากได้คืบพอได้คืบแล้วความอยากมันก็จะเพิ่มเป็นอยากได้สองขึ้นมา พออยากได้สอกแล้วมันก็พอได้สอกแล้วมันก็อยากจะได้วาขึ้นมาอยากได้เงินอยากได้เงินหมื่นพอได้เงินหมื่นมาแล้วทีนี้ก็อยากได้เงินแสนพอได้เงินแสนก็อยากจะได้เงินเงินล้านได้เงินล้านแล้วก็อยากจะได้สิบล้านมันไม่มันไม่มีวันหยุดความอยากพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความอยากนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าน้ำทะเล น้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรมันยังมีขอบมีเขตมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันมีจำนวนจำกัดมันไม่ขยายตัวไปเหมือนกับความอยากวิธีที่จะทำให้ความอยากขดตัวและทำให้มันหายก็คือต้องหยุดมันอย่าไปทำตามความอยากและจะหยุดมันได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าทำความอยากแล้วเป็นการไปเติมความทุกข์ให้กับใจ แล้วก็ต้องมีอุเบกขาที่จะทําใจให้เฉยๆไม่ให้ไปทําตามความอยากได้ถึงจะสามารถที่จะยุติปัญหาของผู้เราทุกคนได้ปัญหาของผู้เราทุกคนก็คือเนี่ยเรายัางต้องกลับมาเกิดแเจ็บตายกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็เกิดมาทําตามความอยากกันอยู่เรื่อยๆแล้วพอเกิดความอยากก็ทุกข์แล้ว ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่อยากอยากได้ไอ้นั่นไอ้นี่ใจเราก็เริ่มไม่สงบแล้วใจเราก็เริ่มกังวลแล้วจะได้หรือเปล่าอยากจะได้เด็กอยากจะสอบเข้ามหาลัยนี้ใจก็กังวลแล้วจะได้สอบเข้าหรือเปล่าคนอยากจะได้งานก็ก็เริ่มกังวลแล้วว่าไปสมัครงานแล้วจะได้งานหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ได้งานก็ทุกเสียใจหรือถ้าได้งานทําไปแล้วเดี๋ยวก็ ต้องลาออกหรือต้องถูกไล่ออกหรือบริษัทเขาปิดไปมันก็ทุกข์เหตุมันต้องเจอความทุกขอยู่เรื่อยๆตราบใดที่เราทำตามความอยากกันเพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วเวลามันดับไปมันก็ทาให้เราเศร้าใจเสียใจทุกข์ใจขึ้นมานล้วนี่คือปัญหาของพวกเรา <c oughs> ที่เรา ไม่รู้กันเจะด้วยซ้ําไปถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาฟังคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อาจจะคิดว่าอยู่ไปทําตามความอยากไปมีความสุขกับการได้ได้สิ่งที่เราอยากได้แต่เวลาทุนเสียสิ่งที่เราอยากได้ไปนี่เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กันทุกทรมานใจกันบางทีก็ไปโทษคนอื่น ไปทําไปโกรธคนอื่นว่าทําให้เราสูญเสียก็เลยไปอาฆาตพยาบาทไปทําบาปไปร่างแค้นกันอีกไ ป, ไปเพิ่มกรรมให้มีมากขึ้นไปเพิ่มวิบากกรรมคือความทุกข์ใจและความเสื่อมใจเพราะการทําบาปนี้จะทําให้ใจเสื่อมลงจากการเป็นมนุษย์นให้กลายเป็นเดรัจฉานให้กลายเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นนร ก, นนกไป อันนี้เราทำกันโดยเราไม่รู้เรื่องเลยเราทากันไปตามอารมณ์ตามความรู้สึกต่างๆตามความอยากต่างๆอยากได้อะไรก็ต้องหามาให้ได้หาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องทำบาปก็เอาต้องโกหกหลอกลว ง, ลงก็เอาช่อโกงก็เอาหรือถึงกับต้องฆ่ากันก็มีบางคนก็รับรับงานเป็นมือเปินไปฆ่าคนอื่น พ็จีจะได้เงินทองมาใช้อันนี้เป็นเรื่องของคนหูหนวกตาบอดว่าไม่รู้ว่าตนเองทําไปแล้วนี่จะสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับตนเองเพราะเวลาทําบาปแล้วนี่ใจมันจะไม่สงบนะใจมันจะทุกข์ละใจมันจะเริ่มกังวลหวาดตัวทําบาปแล้วทําผิดกฎหมายแล้วมันก็ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆ พปเจ้าหน้าที่จะมาจับไปลงโทษอันนี้ก็เป็นเรื่องของของไม่มีธรรมะไม่มีคำสั่งคำสอนมาสอนให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมพระเจ้าก็สอนว่าละการกระทำบาปทั้งปวงอย่าทำบาปทำแล้วมันจะทำให้ใจทุกข์ใจเสื่อม พอเราทำบาปปั๊มในี่ใจเราเริ่มทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทียังไม่ต้องรอไปต้องไม่รอมันไม่ต้องรอมันตายไม่ต้องรอไปตกนรกหรือไปเกิดในอบายเรื่องต้นนี้มันก็ใจมันตกไปแล้วใจนี่มันเปลี่ยนไปแล้วร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจมันเป็นเดรัจฉานไปแล้วก็มีเป็นเปรตก็มีแล้วแต่ว่าทำบาปด้วยวิธีใดด้วยเหตุผลใดทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ไม่รู้ คิดว่าทําทําเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใจก็เริ่มไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล mm hmm. ถ้าทําบาปด้วยความโลภอยากได้เยอะๆ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นเปรตทันที mm hmm. ถ้าทําบาปด้วยความกลัวอันนี้ก็จะเป็นอสุรกาย mm hmm. ถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นนรกขึ้นมาทั น, นที ยังไม่ต้องรอตายผลของบาปมันสแสดงทันทีสแสดงตั้งแต่ตั้งแต่ที่ทําเลยพอเริ่มทําเสร็จปั๊บริบากมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีในใจแต่เราเรามักจะไม่รู้ไม่เห็นกันไม่ใช่สังเกตกันเราโมแต่ไปดูสิ่งที่เราได้มาได้มาแล้วก็มาคิดว่าจะทําอะไรดีจะไปใช้ที่ไหนดีไปกินไปดื่มไปเที่ยวอะไรดีก็เลยไม่ได้เห็นความวิตกกังวลที่มีอยู่ในใจของตน และธรรมชาติของเราเปลี่ยนไปจะจากการเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่ต้องจะเป็นมนุษย์ได้นี่เขาว่าต้องต้องไม่ทําบาปต้องรักษาศีลได้ถึงจะเป็นมนุษย์ได้ถ้าทําบาปแล้วใจก็จะกลายแปลงพันไปจากมนุษย์นี้มันก็จะเริ่มเป็นเป็นเดรัจฉานบ้างหรือเป็นเปรตบ้างหรือเป็นอสุ ร, รกายบ้างเป็นนรกบ้าง มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบร้อยเเซ็นตแต่มันจะเริ่มเป็นไปเรื่อยๆแล้วพอเราทำบาปครั้งแรกแล้วมันก็จะติดเป็นนิสัยไปครั้งต่อไปเราก็จะทําทอีกโดยเฉพาะถ้าทําบาปแล้วไม่ไม่ถูกจับไปลงโทษก็ชะล่าใจคิดว่ า, าทําบาปแล้วไม่มีผลตามมาไม่มีใครจับเราได้ก็ทําต่อไปแต่เวลาทำแล้วมันก็มีความวิตกมีความกังวล เรไม่รู้ว่าจะมีคนรู้เมื่อไหร่มีคนจะมาจับเราไปลงโทษเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือใจได้กลายพันธุ์ไปแล้วกลายพันธุ์จากมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทําเพื่อทำมาหากินถ้าทําบาเพื่อทำมาหากินนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่เขาเขาทําบาเพราะเขาต้องอยู่รอดเขาต้องออตัวเขาอยู่รอดเขาไม่มีอาชีพเหมือนมนุษย์ที่สามารถ ทำอาชีพที่ไม่ต้องทำบาปได้แต่สัตว์นี่จะจะเลี้ยงดูตัวเองได้ต้องทำบาปอย่างน้อยก็เช่นถ้าเป็นหมาก็อาจจะไปลักขโมยอาหารของของคนที่เขาวางเผลอไว้ที่งไหนก็ได้สังเกตไหมเวลาเราเผลอวางของไว้ของหมาที่มันจะมันหิวโซอ ย, อยู่นี่พอมันเห็นมันก็คว้ามากไปเลย <Yeah. S 2> แตมันทำบาปเพื่อเลี้ยง <Yeah. S 2> เพื่อเอาตัวรอด มันไม่มีทางอื่นที่จะทําให้มันอยู่รอดได้นอกจากว่ามันไปอยู่กับคนที่เมตตาแล้วมีอาหารเลี้ยงมันดูมันก็จะช่วยให้มันลดการกระทําบาปลงได้แต่ถ้ามันต้องอยู่ของมันเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันก็ต้องหากินของมันสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยอันนี้เป็นเรื่องปกติของสัตว์เดรัจฉานถ้าคนเราทําแบบเดียวกันใจเราก็ไม่ได้เป็นคนแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์แล้ว กายเราก็เป็นสัตว์ในราชานเหมือนเขาล้วเหมือนสัตว์ในราชานพราถ้าเราทําบ่อยๆขึ้นเราก็จะเป็นมากขึ้นมากขึ้นไปเลยขนาด จ, จะกลายพันธ์เต็มร้อยเลยก็ได้ทําอะไรก็จะทําไม่คํานึงถึงเรื่องบาปไม่มีฮิริโอตปะไม่กลัวบาปเพราะไม่รู้ว่ า, าผลของบาปคืออะไรเลยไม่กลัวบาปไม่มีความอายในบาปเพราะคิดว่าทําแบบแอบๆซ่อนๆไม่มีใครรู้ ก็เลยไม่มีความละอายถ้าเวลาถูกจับก็ปฏิเสธอย่างเดียวไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำถูกเขากั่นแกล้งถูกเขากล่าวหามผมเป็นคนดีผมทำแต่ความดีมาตลอด<ม>ไปถามนักโทษอยื่ผิดหรือเปล่ามผมไม่ผิดหรอก<ม>แต่เขาเอาหลักฐานมาสร้างหลักฐานขึ้นมาเพื่อมาทำให้เราผิด<ม>อันนี้ก็เป็นเรื่อง ของคนที่ไม่มีฮพลีโอตตปะไม่มีความละอายในการกระทำบาปคือเราไม่ต้องให้คนอื่นรู้หรอกว่าเราทำบาปหรือไม่ทำบาปเราต้องละอายเราต้องมีความละอายในตัวเราเองว่าเวลาที่เราทำบาปนี้แสดงว่าเราเริ่มเร็วแล้วเราเริ่มทำความเร็วทำความชั่วแล้วเราไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนเมื่อก่อนนี่แล้วอันนี้มันรู้อยู่ในใจไม่ต้องให้คนอื่นรู้ถ้าเรามีฮิลิตความกลัว ความยในใจเราเนี่ยเราจะไม่กล้าทําบาปเราจะไม่อยากเป็นสัตว์เดรัจฉานเราจะไม่อยากเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่อยากจะไปตกนรกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะคิดว่าทําบาปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตายไปแล้วก็จบอย่างมากก็แค่ติดทุกติดตารางถ้าโชคไม่ดี แต่ก็สามารถปฏิเสธได้หรือจับติดคุกแล้วถ้ามีเงินซื้อก็อาจจะไม่ไม่ติดก็ได้หรือ <Yeah. S 1> ถ้าติดก็ยังติดอย่างสบายก็ได้ <Yeah. S 1> แทนที่อยู่ในคุกก็ป่วยซะก่อน <Yeah. S 1> ป่วยก็ต้องจับออกมาอยู่ตามโรงพยาบาลโร <Yeah. S 1> งพยาบาลสมัยนี้ก็เหมือนโรงแรมดีๆ <Yeah. S 1> อยู่อย่างสุขอย่างสบาย <Yeah. S 1> ใครจะเข้าออกมาเยี่ยมก็ไม่มีใครรู้ <Yeah. S 1> ไม่มีใครเฝ้า หรือคนเศ้าก็อาจจะทำให้ตาบอดได้มันก็เลยทำให้คนไม่ค่อยกลัวบาปกันโอเคว่าถ้ามีเงินเท่าอย่างแล้วจะซื้ออะไรก็ได้แต่มันซื้อไม่ได้ก็คือนรกถึงห้ามไปนรกไม่ได้ห้ามไปอบายไม่ได้ห้ามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ถึงเวลาตายไปเนียร่างกายตายไปใจที่มันได้สะสมบาปไว้มันก็จะถูกบาปนึงไป ไห้ไปเกิดตามที่ตา่างๆตามเหตุที่ทำไอเป็นสัตว์เดราช้างถ้าทำเพื่อทาบาปเพื่อเลี้ยงชีพถ้าทำบาปด้วยความโลภอยางรวยอยากล่่มแหลกรวยอยากมีมากๆเ้าไปเป็นเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวเขาจะมาทำร้ายเราเราก็ไปฆ่าเขาก่อนอันนี้ก็ก็ไปเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความมาฆ่าพยาบาทกดเจดไทไม พยายามไม่ได้อันนี้ต้องล้างแพนอนี้ใจมันก็จะเป็นใจที่อมหิตมันก็จะทำให้ใจเป็นนรกไปอันนี้เป็นความจริงที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาถ้าเราไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าสมาธิได้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นสภาพของจิตใจที่เปลี่ยนไปตาม าการทำการกระทาของเราเวลาเราทำบุญทำความดีนี้จิตใจเราจะมีความสุขมีความสุกใจมีความเบาใจมีความสบายใจเวลาเราทำบาปนี้จิตใจของเรานี้จะมีความทุกข์ใจมีความเครียดอันนี้สิ่งนี้เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งจากการปฏิบัตินอกจากนั้นนอกจากการเห็นเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นระบายแล้วเราก็จะได้เห็นว่า เหตุที่ทำให้ใจเราทุกยังมี อ, อย่างหนึง่งก็คือความอยากต่างๆนี่ความอยากที่เราที่มาพาให้เรามาเกิดนี่ไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําความทุกข์ให้กับเราเพอเมื่อมันมีความอยากจะเกิดมันก็ต้องมาเกิดพอมาเกิดมันก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเวลาที่ได้สิ่งที่เราไม่ปรารถนามาหรือเวลาได้สิ่งที่เรารักเอาชอบมาแล้วต้องสูญเสียมันไป มันก็ทำให้เราทุกข์อีกอันนี้เราจะเห็นชัดเจนถ้าเราฝึกสมาธิเราจะเห็นใจของเราตอนนี้เรามองไม่เห็นใจเพราะว่าตาในที่จะใช้ให้เห็นใจนี่ถูกปิดเอาไว้เรามีแต่ตานอกคือตาของร่างกายเราก็เห็นเพียงแต่ส่วนที่เห็นไดเน้เราก็เลยไม่เห็นสภาพของจิตใจของเราว่าเวลาใจเราทุกข์นี้มันมันทุกข์ที่ใจของเรา บาที่เวลาเราทุกข์เราก็ไปไปโทษคนอื่นว่าทําให้เราทุกข์แต่ความจริงเราจะเห็นว่าความทุกข์ใจของเรามันเกิดจากตัวเราเองเราทําให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาเองด้วยความอยากต่างๆด้วยความรักความชังความกลัวความหลงสิ่งเหล่า น, นี้มันจะทําให้ใจเราทุกข์กันขึ้นมาแล้วถ้าเวลาเราทําใจให้สงบนิ่งใจปราศจากความรักชังกลัวหลงเราก็ไม่ทุกข์เราก็สบายเราก็จะรู้ว่า ตัวที่เป็นปัญหานี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือ ต, ตัวตัวกิเลตตัณหาที่มีอยู่ในใจของเรานี่ตัวตัวที่ทำบาปนี่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ตัวที่ทำให้จิตใจของเราวุ่นวายอยู่เรื่อยๆก็ก็คือความอยากต่างๆนี่เอง mm hmm. เมื่อเรารู้ปัญหาของเราว่ามันอยู่ที่ใจเราเราก็มาแก้ที่ใจเราไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นเราแก้ไม่ได้ร่างกายเราเราก็แก้ไม่ได้ แก้ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็แก้ไม่ได้ถึงเวลามันจะต้องแก่มันก็แก่ถึงเวลามันต้องเจ็บต้องตายมันก็ต้องตายแต่เรามาแก้ที่ใจเราทำใจเราให้ปล่อยวางให้ได้ให้วางเฉย ว, ว่าเราทำอะไรมันไม่ได้วิธีที่จะทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไม่กลับมาเกิดเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่กลับมาเกิดได้ปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้ก็จะไม่มีต่อไปแต่ถ้ายังมาเกิดมันก็ยังต้องเจอความทุกข์เจอปัญหาต่างๆมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความอยากของเราอยากมากปัญหาก็มากอยากน้อยปัญหาก็น้อยถ้าไม่อยากเลยปัญหาก็ไม่มีเลยใจของมุขพระเจ้าใจของพอระอรหันตสาวกถึงแม้ท่านยังไม่ตายอยู่เนี่ยแต่ใจท่านจะไม่มี ไม่มีปัญหาเลยเพราะท่านอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บอยู่ความตายของร่างกายได้อยู่กับการนินทาสรรเสริญของผู้อื่นได้อยู่กับการเจริญริมของราภยศได้<ม>เป็นพระบางทีก็ยังต้องเจอการเจอโลกกระทำอยู่บางทีญาติโยมก็เอาเงินมาทำบุญนะก็เป็นการเจริญลาภ<ม>พอเจริญราบแล้วก็ เอาเงินนี้ไม่ได้ใช้ก็เอาไปทํามุญต่อก็เป็นการเสื่อมลาบอยู่ดีท่านก็ไม่เดือดร้อนมาก็ได้ไม่มาก็ได้เพราะท่านไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินมีทองไม่จําเป็นจะต้องมียศมีตําแหน่งถึงจะทําให้ท่านมีความสุขได้ท่านมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ พระลังกับผู้ศรัทธาท่านถึงเป็นเหมือนกับใจของท่านเป็นเหมือนกับหยดน้ํบาบนใบบัวใจของท่านเป็นเหมือนใบบัวหยดน้ําก็คือโลกธรรม ท, ทั้งทั้งสี่ลาบยศชรเสริญสุขท่านก็ยังต้องสัมผัสอยู่เพราะท่านยังมีขันห้าอยู่มีร่างกายมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่มันก็ต้องสัมผัสรับรู้สิ่งเหล่า น, นี้แต่ว่าท่านไม่ได้ไป ดูดซึมมันเข้าไปในใจถ้าไม่ได้ไปยินดีร้ายไม่ไปรักไม่ไปชังแต่อย่างไงได้มาก็เฉยเสียไปก็เฉยเพราะท่านไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีมันมนั่นเองมีก็ได้ไม่มีก็ได้บางทีมีแล้วกลับเป็นภาระเสียเพราะไม่ได้ใช้เก็บไว้มันก็เป็นภาระก็ต้องรีบหาวิธีให้คนอื่นรับภาระไปให้องค์กรที่เขาต้องการเงินทองหรืออะไรความช่วยเหลือก็ให้เขาไป เออถ้าวัดขาดแพนอะไรก็ให้วัดไปดูแลให้กับวัดไปตามเหตุตามผลแต่ใจของท่านนี้จะไม่มีการดีใจเสียใจกับความเจริญหรือเสื่อมของโลกธรรมของราบยศสรรเสริญสุขแล้วก็เป็นเหมือนกับน้ำที่ซ้ที่ซ้ำน้หยดน้ำบนใบบัวน้ำมันไม่ซึมเข้าไปในในใบบัว เพราะใจเหมือนกับว่าใบบัวนี่มันมีอะไรกันไว้ไม่ให้ดูดซึมเข้าไปแต่ใจของปุตุชนอย่างพวกเรานี้มันเป็นเหมือนกับกระดาษซึมพอหยดหน้าลงไปหยดเดียวนี่มันดูดหายไปหมดเลยเวลาได้อะไรมาก็ดีใจสุดๆเวลาเสียอะไรไปก็เสียใจสุดๆอันนี้แหละคือใจของปุตุชนเป็นอย่างนี้ยังแกงไปแกงมาอยู่ยังไม่สามารถทำให้ใจเป็นกลางให้ใจนิ่งเฉยได้ เพราไม่ได้ฝึกเนี่ยของนี้ต้องฝึกกันสมาธิต้องเป็นของที่เราต้องมาฝึกกันมันไม่ได้มากับการเกิดของเรามันไม่ได้มากับพ่อแม่ของเราไม่ได้มาจากพ่อแม่ของเราถ้ามาจากพ่อแม่ก็ดีพระราหุนก็ไม่ต้องไปบวชให้เสียเวลานไม่ต้องไปศึกษาไปปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าแต่มันไม่ได้มากับพ่อแม่ของอันนี้มันมากับกรรมกับบุญกรรมของเราเอถ้าชาติก่อนเราเคยฝึกสมาธิมาก่อนมันจะมากับเรา ถ้าชาติก่อนเราเคยทำบาปมันก็จะมากับเราเราเคยทำอะไรด้วยใจเนี่ยมันจะมาหมดชาติก่อนเราเคยโลภมันก็จะโลภมาชาติก่อนเราเคยโกรธมันก็จะตามมาแต่มันไม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่บางทีเป็นคนดีไม่ทำบาปแต่ลูกกับเป็นคนเลวก็ได้อันนี้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของร่างกายพ่อแม่ให้ได้เพียงแต่ร่างกายเท่าน้ร่างกายของเรานี่มาจากพ่อแม่ มีหน้าตาคล้ายคลึงกันได้แต่นิสัยใจคอนี้มันมาจากกรรมจากการกระทาของเราในอดีตมาไม่ได้มันไม่ได้มาจากพ่อแม่อย่างเจ้าชายสิทธัตถะท่านท่านเข้าสมาธิได้ตั้งแต่ท่านเป็นเด็กพ่อแม่รับพ่อเข้าไม่ได้พ่อไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนมันไม่ได้มาจากพ่อมันเป็นเรื่องของของบุญกรรมที่ได้กะทำไว้ในอดี ต, ตชาติที่มันติดตัวมาด้วย อันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วมาฝึกผลอบรมเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่ได้กําจัดความทุกข์และยุติความเสื่อมของใจและสร้างความสุขสร้างความความเจริญให้กับใจก็คือเราก็ต้องไม่ทำบาปบาปนี้มันจะเป็นตัวที่จะฉุดลากจิตใจเราให้ลงตา่าไม่ให้ขึ้นสูง อางมนุษย์ก็ไปเป็นเดรัจฉาน mm hmm. เป็นเปรตเป็นอนุรกาย mm hmm. ไปนรกเราก็ต้องปิดกั้นอบายด้วยการไม่ทำบาปไม่ด้วยการไม่เสบอบายยมุข mm hmm. เพราะอบายยมุขนี้เป็นทีมสนับสนุนให้ทํำบาปได้ง่ายเ mm hmm. วลาเล่นการพ น, นันแล้วพอเงินหมดก็ต้องไปไปขโมยเงินหรือไปปล้นไปจี้เพื่อเอาเงินมาจ่ายหนี้พ น, นัน mm hmm. ถ้าเราไม่เล่นพ น, นันเงินก็จะไม่มีวันหมดนะ ถ้าเราไม่ดืมโซลายาเมาเราก็จะมีสติประคับปรคองใจมีฮิลิโอต ป, ปะเวลาคิดจะทําบาปก็จะไม่กล้าทำ mm hmm. นั้นอย่าไปเสพอบายามุกโซลายาเมาเล่นการพนันการเที่ยวทั้งกลางวันทั้งกัางคืนก็ไม่ควรเที่ยวเพราะมันเป็นการสูญเสียเงินทองไปเรื่อยๆไม่มีรายได้เที่ยวบ่อยๆเที่ยวมากๆเดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้พอไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินทางมิชอบ ไปขายของปลอมบ้างไปหลอกลวงชาวบ้านบ้างหลอกลวงให้มากู้เงินมามาลงทุนพอได้เงินแล้วก็หายสาบสูญไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เสพอบายในมุกกันถ้าไปถามเขาก็บอกเป็นหนีพนน้พนันบ้างอติดนู่นบ้างติดอะไรบ้างติดของฟุ่มสวยบ้างติดของแบรนด์เนมบ้างใช้ของธรรมดาไม่ได้เงินไม่พอใช้ก็ต้องหาวิธีหาเงินมาเพื่อจะได้ตอบสนองตันหาความอยากของตน เพราะเวลาไม่ได้ทําตามความอยากเข้าใจมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความรู้สึกเครียดอึนอัดหงเดหียดใจนี่มันก็เลยต้องไปทําบาปกันงั้นถ้าเราไม่อยากจะถ้าเราต้องการกําจัดความทุกข์เบื้องต้นเราต้องกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปแล้วก็ต้องไม่ทําบาปแล้วก็ต้องไม่เสพ<ม>อบา ย, ยมุขเพราะเสพอบา ย, ยมุขมันจะทําให้ทําบาปได้ง่ายอบา ย, ยมุขก็คือทางเข้าอบาย น, นั่นเอง ยังไม่ได้เข้ายังอยู่ปากประตูอยู่แต่ง่ายพออยู่ปากประตูแล้วเดี๋ยวพิบมเดียวพอเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็ไปเลยทันทีอารมณ์อยากได้อะไรขึ้นมาโกรธก็ทำทำบาป ท, ทันทีโลภก็ทําบาป ท, ทันทีแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลอยากเอาบายอยากจะเอาบายยามุกนี้จะเข้าไปในาบายมันก็ยากเพราะเราไม่มีเหตุที่จะทําให้เราต้องไปไปทำบาปเงินทองเรามีพอมีพอใช้ เราไม่สูญเสียเงินทองจากการใช้กับอบายามุกต่างๆโอกาสที่จะทำบาปมันก็ยากขึ้นอันนี้วิธีแรกอย่าทำบาปบาปก็มีอยู่สี่ข้อก็คือหนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดส่วนสุสรายาเ ม, มานี้เป็นอบายามุกแต่รวมไว้ในศีลห้าเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ไปทาบาปนั่นเองพอขพอกินเม้า ยินเล่าเมาแล้วทีนี้ก็ทําอะไรได้คุณสังเกตดูคนที่ไม่เมานี่รู้สึกจะเรียบร้อยดีพอเมาแล้วนี่พูดจาหยาบคายก็ทําอะไรนี่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเดรัจฉานเหมือนสัตว์ทําสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันนี้อย่าทําถ้าไม่ทําแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่เสื่อมลงจากมนุษย์ให้กลายเป็นไปไปเป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายใไปนรกได้ และข้อหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมาหยุดความอยากให้ได้กำจัดความอยากเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่มันทำให้ใจเราทุกข์นั่นเองทุกครั้งที่เกิดความอยากปั๊บนี้ใจเริ่มกระวลกระวายกระสับกระส่ายขึ้นมาแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเวลาได้มาก็ดีใจเดียวเดียวแตเดียวเวลาเสียไปก็เศร้าใจแล้วเวลามันหมดไปก็ต้องหาใหม่หาใหม่ก็ต้องมากะวลกระวายกระสับกระส่ายใหม่ มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องหยุดความอยากกาจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งให้เป็นสมาธิให้ได้เบื้องต้นท่านถึงสอนให้เราฝึกสติคอยควบคุมความคิดเพราะตัวที่ทําให้ใจไม่นิ่งก็คือความคิดนี่และตัวที่เกิดทําให้เกิดความอยากก็คือความคิดนี่พอเราคิดถึงขนมก็อยากจะกินนะ้คิดถึงที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปแล้ว เราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ต่างๆด้วยการใช้กรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งคืออารมณ์ที่เราจะใช้หยุดความคิดเช่นคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเราเหมัอนอยู่กับคำบราลรคำพุโทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ mm hmm. หรือว่าถ้าเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะใช้พุโทโธไปตลอดก็ได้ช่วงที่ไม่ได้นั่งก็ใช้พุโทโธช่วงที่นั่งก็ใช้พุโทโธ แต่บางท่านอาจจะเหนื่อยจากการบริการพุทโธก็เปลี่ยนมาดูร่างกายก็ได้ดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังนอนกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกําลังทําอะไรให้อยู่กับการกระทําของร่างกายอันนี้ก็จะช่วยสกัดความคิดตุงแต่งได้เวลานั่งสมาธิก็จะทําให้ใจนิ่งสงบได้ง่ายได้เร็วและได้นานอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการสตินี้เป็นเพียงแต่เหตุเท่านั้นเองยังไม่เป็น ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการผลที่เราต้องการที่แท้จริงก็คือสมาธิความนิ่งสงบของใจจะเกิดความนิ่งสงบได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดในเบื้องต้นต้องควบคุมความคิดให้ได้ในระดับหนึ่งก่อนไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปทั้งวันทั้งคืนคนบางคนนี่เพราะคิดว่านั่งสมาธิง่ายไม่ต้องปีสติพอมานั่งปบนในใจโอ้คิดถึงอะไรไปเต็มไปหมดนั่งได้ไม่ถึงห้านาทีก็ทนไม่ไหวแนละ้วนั่งไม่ไหวนละ้ เพราะว่าไม่มีสติไม่ค่อยไม่สร้างสติไว้าไมาคอยหยุดยับยั้งความคิดถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้ได้ผลให้ได้ใจที่สงบนี่จาเป็นที่จะต้องฝึกสติให้มากๆากก่อนอย่างเช่นมันเสาร์วันวันพระนี่ที่เรามาวัดกันนี้ส่วนหนึ่งก็มาปฏิบัติสติกันทํามุญทําทานนอนเช้าแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาแล้วก็เอาเวลาที่เหลือนี้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ เพราะถึงแม้จะมีปัญญาแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็หยุดความอยากไม่ได้หยุดความหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ได้ต้องมีสมาธิ <se ptic> แล้วก็ต้องมีปัญญาให้รู้ว่าตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์ก็คือความอยากของเรา <se ptic> พรอมันอยากเราก็ต้องหยุดมันถ้าเรามีสมาธิเราก็จะหยุดมันได้ถ้าใจยังไม่มีสมาธิยังไม่มีโอเบคามันก็จะหยุดไม่ได้ดงนั้นงานในวันพระนี้ส่วนใหญ่จะ จะจะเน้นอยู่ที่การปฏิบัติสติสมาธิเพราะปั ญ, ญญานี่เราฟังแป๊บเดียวเราก็ได้แล้วอริยสัจสี่ฟังแค่ไม่ถึงนาทีก็ได้แะทุกเกิดจากความอยากที่นี่จะดับความทุกข์ก็ต้องดับด้วยปัญญาด้วยสมาธิเท่านั้นเองแล้วเรามีสมาธิหรือ ย, อยังมีปัญญาหรือ ย, อยังตอนนี้เรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วความอยากทําให้เราทุกข์แต่เราไม่มีสมาธิเวลาอยากทีไรนี่ใจอ่อนไมหมดสู้ไม่ได้ ยิ่งของที่มีอยู่ออนไลน์จ่ายเงินทางออนไลน์ได้ง่ายนี่แป๊บเดียวก็ซื้อมาแล้วเห็นปุ๊บเร็วพาที่ไม่รู้สึกตัวว่าไปไปซื้อมาแล้วด้วยซ้ําไปพอเห็นอะไรชอบนี่อยากขึ้นมาไม่รู้ว่าอยากนะจ่ายเงินไปแล้วได้ของมาแล้วยังไม่รู้แล้วทําไรเพราะทําตามความอยากพอเวลาเกิดไม่ได้ก็จะทุกข์สั่งแล้วไม่ของไม่มาก็เริ่มทุกข์แล้วต้องติดตามนะทําไมไม่ม า, าทันทีได้มาได้ของเสียมาก็ทุกข์อีกนะ เพราะไม่มีอะไรแน่นอนงั <Yeah. S 1> ้นอย่าไปทำําความอยากดีที่สุดใจเราอยู่ได้โดยไม่มีความอยากขอให้มีความสงบทั้งนี้มีสมาธิมีอุเบกขาแล้วอยู่ได้อยู่แบบหยดน้ำบนใบบัวไม่เดือดร้อนถึงแม้จะอดอยากขาดแคลนถึงแม่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะตาย mm. ก็ไม่เดือดร้อนอยู่ได้สบายถ้าใจมีความสงบแล้ว mm. อันนี้แหละคือเรื่องธรรมะที่เราจะต้องมาขนขวายมาสร้างกัน ตามที่พระเจ้าปรารถนาเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้กําหนดวันพระขึ้นมาวันพระก็คือวันหยุดทํางานเพื่อจะได้เอาวันหยุดนี้มาให้กับการทํางานทางธรรมมาศึกษาธรรมะแล้วกเ็เอาไปปฏิบัติทําทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราทําตามที่พระเจ้าได้แล้วรับประกันได้ว่าความทุกข์ในใจของเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขในใจเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไป ความเสื่อมของใจก็จะไม่เกิดมีแต่ความเจริญจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็ไปเป็นพรหมจากเทวพรหมมก็ไปเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพระพุทธเจ้าพระหลานตามลำดับต่อไปนี่คือเรื่องที่พระเจ้าต้องการให้เรามาศึกษาและมาปฏิบัติกันในวันพระก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 สัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะรัสโยยถามณนิโชติรัสโยยถาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพารโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิตะนิจจังวุทธาปะจายโน ชตารวธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลังช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะถ้ามีมือถือ ก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมัสการพระอาจารย์ช่าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาุติทางเ c e b o o ก491ท่านทาง YouTube พระอาจารย์292ท่าน ทางดอกเตอร์วีชาแนล69ท่านครับเพาห์ท่านวิทยุออนไลน์12ท่านหน้ากุฏิทั้งหมด108ท่านรวมเป็น979ท่านเจ้าค่ะเดี๋ยววันนี้มีชาวต่างชาติเดี๋ยวถมามไ่้ก่อนมันเขาจะอะไรคุณอยากจะถามคำถามต้องเขียนเชิญ like okay. ได้เจ้าค่ะ มีคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามฝากถามมาเจ้าค่ะเมื่อสี่ปีที่ผ่านมาทำสมาธิที่บ้านเข้าสู่ความสงบได้ดีมากจนไม่อยากทานอาหาร เกิน20วันเพราะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายแต่เกิดความสงสัยว่าจะเป็นอันตรายเลยหยุดนั่งสมาธิพอเริ่มกลับมานั่งสมาธิอีกครั้งนั่งได้พักเดียวก็เกิดเวทนาพิจารณูวิ์ พิจารณาดูเวทนาความเจ็บแล้วยอมรับมันอยู่ๆเวทนาความเจ็บเหลืออยู่ประมาณ 20% เอร์ซเลยเห็นว่าปัญหาเกิดจากใจที่ไม่ยอมรับมากกว่าหลังจากนั้นมานั่งสมาธิ 4-6-8 ถึง 8, ชั่วโมงไม่เกิดเวทนาเลยจึงสงสัยว่ายัง ต่อไปไม่สุดหรือเปล่าเจ้าคาหรือควรนั่งต่อไปสิบชั่วโมงหรือควรทําอย่างไรต่อเจ้าคาคือสมาธินี้เราก็ต้องการฝึกให้มันทางานสามารถเข้าออกเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการส่วนยานานหรือไม่นานนี้มันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่นั่งแล้วนิ่งสงบมีอุเบกขาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเราจํานานแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลา ไม่อยเบีขาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาก็ควรมาเดินทางปัญญาบ้างปัญญาก็มีสองลักษณะทําการบ้านไปก่อนเช่นคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแล้วดูว่าใจเราหวั่นไหวหรือไม่กลัวหรือไม่ถ้ากลัวก็ต้องใช้ปัญญามาพิจารณาสอนใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะฉะนั้น ก็ต้องปล่อยให้มันไปเป็นตามนั้นไปอันนี้เป็นการทาการบ้านเผือเวลาเกิดไม่สบายขึ้นมาเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาแล้วหมอบอกว่าเหลือแค่สามเดือนดูซิว่าเราจะสามารถทำใจของเราให้ไม่ทุกข์ได้หรือเปล่าหรือถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเรามีเหตุการณ์ที่สร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับเราเราก็ต้องใช้ปัญญาดับความทุกข์นั้นทันที mm. เช่นมีคนมาทวงหนี้เราอย่างนี้เราับทุกข์นี้ เราก็าต้องยอมเสียต้องยอมว่า เ, เงินไม่ใช่ของเราเราไปยืมเข้ามาก็าต้องคืนเข้าไปที่เราทุกข์ก็เพราะเราไม่อยากคืนเขานั้นเราต้องคืนเขาให้ได้ไม่มีเงินก็ต้องขายข้าวขายของไปเพราะเป็นของของเขาไม่ใช่ของเราแล้วให้มองอย่างนี้เราก็จะดับความทุกข์ทางใจไนดะ้เจ้าค่ต่อไปคําถามจากคุณยศสิทธิ์แดนเพ็งเซงขอฝากคําถามพระอาจารย์ การเจริญวิปัสนาคือการคิดด้วยปัญญาในเวลาที่เราออกจากสมาธิแล้วแล้วถ้าเราคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆจะทําให้เรารู้ฟุ้งซ่านไหมครับหรือเราสามารถคิดแบบนี้ตลอดก็ปัญญาบางทีมันก็มันก็อาจจะเถอแล้วไปคิดทางโลกก็ทําให้ฟุ้งซ่านได้ถ้าคิดทางปัญญามันยังไม่ฟุ้งซ่านแต่มันก็ถ้าคิดนานๆมันก็เหนื่อยได้ ถ้ามันเหนื่อยก็ควรหยุดพิจารณาชั่วคราวแล้วก็ไปเข้าสมาธิต่อไปพักผ่นไปเติมกําลังให้ใจก่อนสมาธินี้ทิ้งไม่ได้เลยถึงแม้จะอยู่ขั้นปัญญาก็ต้องสลับการทำเหมือนกับเวลาเราไปทํางานเราก็ต้องกลับมาบ้านมาพักผ่อหลับนอนรับประทานอาหารจะทํางานตลอดเวลาไม่ได้ปัญญาก็เหมือนการเจรินปัญญาตลอดเวลาไม่ได้ถึงเวลาที่มันมันเริ่มเหนื่อยเริ่ม แล้วไม่พิจารณาเริ่มเริ่มไม่เป็นธรรมไม่เป็นปัญญาเราก็ต้องหยุดแล้วเราก็กลับมาทําใจให้สงบก่อนหลังจากได้พักแล้วเราก็ออกมาพิจารณาต่อพิจารณาเรื่องตายรักนั่นแนหะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เพราะการไม่ปล่อยจะทําให้ใจเราทุกข์ เจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณอ่อนอูมารักษาสิริมีวิธีการอย่างไรให้พ่อแม่มีศรัทธาในพระสงค์ในการทำบุญใส่บาตรและปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะก็พาพ่อแม่ไปทำบุญใส่บาตรกับพระพระอริยสงฆ์ไ่รู้จักพระแท้อย่าไปอย่าไปเจอภาพปลอมถ้าภาพปลอมก็เหมือนเจอทองคำปลอมเจอทองคำปลอมมันก็ไม่มีศรัทธาที่อยากจะได้ แต่ถ้าไปเจอทองคำแท้นี่มันก็เห็นแล้วก็อยากจะได้ขึ้นมายังต้องพาพ่อแม่ไปทำบุญกับพระอริยะเจ้า เจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณชนินเดชธนาชัยกราบนมัสการพระอาจารย์ครับตอนนี้ผมนั่งน้อยกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้ลืมการปฏิบัติใช้เวลาหยุดพักงานระหว่างวันในการฟังบทสวดมนต์และดูลมเข้าออกบางทีก็รู้สึกเหมือนจะเข้าสมาธิได้รู้ตัวว่าทำน้อยไปแต่ก็ยังถือศีลห้าเป็นปกติอยากถามพระอาจารย์ว่า ให้นิสัยเรากลับมาชอบนั่งสมาธิเป็นปกติเหมือนเดิมทำจริงๆจังๆกี่วันถึงจะรู้สึกแบบเดิมครับเพราะตอนนี้ต้องเร่งทำงานไปด้วยครับแต่ก็ภาวนาครับอ๋อมันจะกี่วันนี่มันไม่มีอะไรวัดได้หรอกอยู่ที่การกระทำของเราถ้าทำแล้วยังมันยังไม่กลับมาเหมือนเดิมก็ทำต่อไปเรื่อยๆทำไปจนกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมคาถามต่อไปถ้ามด มแมลงวันมแมลงศัสาบยุงปวกสัตว์มีพิษอื่นๆมารบกวนภายในบ้านทําให้เราอาจถูกกัดเข้าหูถ้าไม่กําจัดเราก็อาจมีอันตรายถ้ากําจัดหรือฆ่าเราจะบาปจะมีโทษไหมครับควรทําอย่างไรดีครับเราก็เป็นอสศรกายครับาปด้วยความกลัวถ้าเราไม่อยากจะเป็นนศรกายเราก็หาวิธีไล่มันไป จับมันได้ก็จับไปปล่อยที่อื่นแล้วหาวิธีกันไม่ให้มันขึ้นมาทำไมนี้เขาก็มียามีกลิ่นอะไรที่มันพอปลุกม้นแรลงมันได้กลิ่นมันก็ไม่มาก็ได้ก็ต้องหาวิธีจัดไปกาจัดมันป้องกันไม่ให้มันขึ้นบ้านเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากทางช่อง Doctor V Channel จากคุณใบบุญกราบเรียนสอบถามค่ะทุกวันพระจะถือศีลแปด แล้วการสั่งซื้อของในระบบออนไลน์ถือว่าผิดศีลหรือไม่ถ้าไม่ผิดศีลแต่ถือเป็นกิเลสจากความอยากได้จากท่านพระอาจารย์เทศจริงๆไม่ควรใช้มือถือเลยใช้หมเจ้าขอวันปฏิบัติธรรมก็ควรตัดทางโลกไปให้หมดเลยหนะึ่งวันปิดประตูทางโลกทั้งหมดอย่าดูอย่าฟังอย่าไปรับรู้อะไรทางโลกเนะี่ยพอรับรู้เลย๋ยไม่เกิดตัณหาความอยากขึ้นมา ค่ะคำถามต่อไปจากคุณสมบัติอยากถามพระอาจารย์สุชาติเวลานั่งสมาธิพยายามไม่ให้จิตเผลอแต่ทําไม่ให้หลุดไปคิดเรื่องอื่นตลอดพยายามเท่าไรก็ทําไม่ได้พอมีแนวทางที่ทําให้จิตไม่หลุดไปคิดเรื่องอื่นไหมครับมีเราก็ต้องทําบ่อยๆทําก่อนที่เรามานั่งสมาธิะจะเจริญสติอยู่เรื่อยๆคอยควบคุมคอยนึงความคิดไว้อย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใช้พุโทโธพุโทโธไปพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธเลยถ้าเรามีพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้อย่ามาใช้พุโทโธตอนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวกําลังมันจะไม่พอคําถามจากคุณนงลักษณ์เจ้าค่ะฟังอยู่ที่บ้านอยากถวายจตุปปัจจัยต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็เดินทางไปเองสิเจ้าค่ะ จากคุณปุ๋ยพีหนีเที่ยวกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับวิธีการละขันห้าวิธีปฏิบัติจะคล้ายๆกับวางอุเบกขาไหมครับวิธีปฏิบัติเหมือนกันหรือไม่อย่างไรและได้ผลเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับก็อุเบกข า, าก็เป็นตัวที่ทําให้เราวางได้ถ้าไม่มีอุเบกขาเราก็ยังยึดติดอยู่ คำถามจากคุณสิทธิชัยรักพักดีขออนุญาตกราบท่านพระอาจารย์ครับในนิมิตเห็นตัวเองต้องเวียนไหยตายเกิดอีกระหว่างยุคอยต่อพระีริยะกับพระรามาจะพุทธเจ้าคือต้องทำอย่างไรต่อครับใจไม่อยากเกิดอีกแล้วครับหรือว่าเป็นมารมาหลอกในดวงจิตครับก็เลไปบวชะยังมีเวลาอยู่ไปบวชไปอยู่ออกับครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง แล้วบางทีชาตินี้อาจจะเป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้เจ้าค่ะจากคุณชันสาน้อมกราบพระอาจารย์พระคุณเจ้าที่เคารพนับถือและศรัท ธ, ธาอย่างสูงและน้อมกราบนมรรคการในเมตตาธรรมที่พระคุณเจ้าชี้แนะในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะเจ้าค่ะยังไม่มีคาถามเข้ามาเจ้าค่ะ มีไหมพรมมีคําถามอะไรไหมวันนี้ไม่มีนะมีเหรออ่ะก็มามาไมโครโฟนไปช่วยส่งไมโครโฟนให้ผมอยากอยากถามเรื่อง ส, สองถามครับอาจารย์เออในการเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันครับอาจารย์ครับถ้าเราเ อ, อสังเกตเออ ร่างกายกับจิตใจความคิดประมาณนี้ครับอาจารย์เวลาทํางานต้องดูงานของเร า, เราพยายามสอนใจให้เราอย่าไปเครียดกับงานที่เราทําทําทําเพื่อปล่อยวางทําแบบปล่อยวางได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ไ, ไม่ใช่ทําล้ต้องได้ต้องเงี้ใครมาขัดหน่อยมามามาขวางหน่อยก็โกรธขึ้นมานี้ไม่ได้ต้องทาแบบไม่โกรธทําแบบเฉยๆไปทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็อยู่ครับ ตอนนี้แบบเราผมกําลังใช้ชีวิตครับอาจารย์เราเริ่มรู้สึกว่าที่ผ่านมาผมทําตามความถูกใจมากกว่าความถูกต้องครับอาจารย์จนสมาธิเราเริ่มแบบเปบียนตัวเองไปทำตามใจมันอทำตามความอยากนี่ครับอาจารย์มันทำตามความถูกต้องก็คือมองว่ามันเป็นของไม่เที่ยงได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปเดี๋ยวมันก็จบหนึ่งเดยมันก็ผ่านไปครับรสุดท้ายอาจารย์ครับพอดีตอนนี้ก็ เพิ่งวันเกิดนะครับก็อายุสามสิบเอ็ดแล้วครับก็เลยคิดว่าอยากจะบวชพระครับก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าปีหน้าครับมันที่ที่นี่มีโครงการบวชไหมครับพระอาจารย์อนนี้เราไม่รู้เพราะต้องไปเรื่องของเจ้าอาวาสเขามีคนทําการครับอยากจะรู้แต่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็ไม่มีโครงการบวชได้ทุกเวลาครับแต่ก็ต้องติดผ่านทางเจ้าอาวาสว่าเขาจะรับเราหรือไม่ครับซึ่งท่านก็จะยึดแนวปริยัติไว้ก่อน ใครมาบวชก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ทำวัาเช้าวัาเยน็นเรียนธรรมะนักธรรมตีเทเอกไปก่อนท่านจะไม่ให้ไปปฏิบัติครับโอเคครับอาจารย์ครับกลาวขอบคุณมากครับอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณวันกรวีเจ้าค่ะกราบนมัณการ อวิชาปรุงสังขารไม่มีผู้ทำและรับผลกรรมอยู่ที่การรับรู้และปรุงแต่งสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมครับอะไรนะไม่เข้าใจอวิชาปรุงสังขารไม่มีผู้ทำและรับผลกรรมอยู่ที่การรับรู้และปรุงแต่งสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมครับมันไม่มีแต่ผู้ที่ไปรับรู้มันก็ต้องทุกข์กับมันเช่นใจเนี่ย ใจเป็นที่ตั้งของอวิชชาปัญญาสังขารนามสังขารมันปรุงไปตามความอยากมันก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาผู้ที่รับรู้ความทุกข์ก็คือใจเจ้าค่ะยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะถ้าไม่มีก็เอา้าคุณตู่เข้ามากล่าบนามสการค่ะพระอาจารย์ หนูมีมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องอพระโพธิสัตว์นะคะ่ะพระโพธิสัตว์ที่ท่านมาสะสมบา ร, รมีทุกๆชาติเพื่อจะเกิดเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าว่ะค่ะแต่ละชาติที่ท่านเกิดนี่คือท่านสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะหรือว่าต้าอง ร, ร, รอถ้าบา ร, รมีบา ร, รมีครบบ ร, ริบูรณ์ก็ก็บรรลุธรรมได้เช่นเจ้าชายสิทธัตถะ เออหมายถึงว่าก่อนก่อนที่ท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละชาตินะคะท่านสามารถที่จะเป็นเอ่อบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนแล้วก็รอมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ต้องรอละมันอัตโนมัติมันเหมือนไฟพอไฟลุกแล้วมันก็ลามไปหมดเลยอ๋อมันก็เป็นวิธีการอันเดียวกันเป็นโสดาบันก็ต้องฆ่ากิเลสเป็นสกิราคามีฆ่ากิเลสหมด เห็นพอพิจารณาอะไรเป็นกิเลสก็ขาดก็คือรวดเดียวแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเลยใช่ค่ะไม่ไม่ต้องเป็นเหมือนโสดาบันแล้วต้องมาเกิดใหม่แล้วอะไรอย่างนี้ก็คือรวดเดียวค่ะม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบค่ะเข้าใจแล้วค่ะเห็นเจ้าชายสิทธัตถาก็เป็นแค่โสดาบันเหมือนก่อนใช่ไหมอันพอได้โสดาบันก็รู้อริยสัจสี่อริยสีมันก็รู้ต้นตัดความอยากให้หมด เดี๋ยวนี้ค่ะจะมีคนที่เขาเหมือนเหมือนสายพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยค่ ะ, ะรเราจะได้ยินว่าพระบางองค์เนี่ยท่านท่านเป็นสายพระโพธิสัตว์ท่านยังไม่ไม่อยากจะไปนิพพานก่อนแล้วก็มาสะสมบา ร, รมีหนูเริ่มมีความสงสัยว่าเออแล้วถ้าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนท่านบรรลุธรรมหนึ่งขั้นก่อนแล้วแล้วรอไปบรรลุอีกรอบนึงเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าหรือเปล่าไม่แล้วไม่ได้ ถ้ามันรู้เป็นโซดาบันแล้วก็ไม่เป็นโฟทิสันแล้วก็คือรวดเดียวจบวมันหลวงปูมั่นอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดตายก่อนก็กลับมาเกิดทําทําต่อไม่เกินเจ็ดชาติอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะยังไม่มีนะไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเร า, าท่านนี้ก่อนนะรอสมควรแก่เวลาก็าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ